อันนี้แหละสังคมของมนุษย์เราที่เกิดมาในโลกนี้เราก็มาปรับทุกข์กันนะแต่ทำอย่างไรเราถึงจะมีความสุขทำอย่างไรเราจึงจะแก้ปัญหาของชีวิตนี่ได้อันชีวิตนี่มันเต็มไปด้วยปัญหา เพราะฉะนั้นเขาจึงได้ตั้งเป็นสังคมขึ้นคนแต่ละหมู่แต่ละพวกก็มีการสังคมกันใครคิดเห็นอย่างไรก็สแสดงต่อกันฟังเราจะแก้ไขปัญหาแห่งชีวิตนี้ได้อย่างไรบางคนก็มีปัญหาอย่างนั้นบางคนก็มีปัญหาอย่างนี้ บางคนก็มีปัญหาอย่างโน้นหลายคนก็หลายปัญหาอันนี้มันก็เป็นธรรมดาของมนุษย์โลกเราตั้งแต่ไหนแต่ไรมามันก็มีอยู่อย่างนี้บัดนี้ในความรู้ของการแก้ปัญหาของชีวิตนี้สำหรับความรู้ของ มนุษย์โรกโดยทั่วไปมันก็แก้ปัญหาได้แต่ชั่วคราวเฉพาะการดำรงชีวิตอยู่ในปัจจุบันนี้เท่านั้นแต่มันไม่สามารถที่จะแก้ปัญหาของจิตใจได้ใจที่มันยุ่งเหยิง ที่มันวุ่นวายเดือดร้อนอยู่ภายในอันนั้นส่วนมากไม่ค่อยมีปัญญาแก้ไขเลยบางคนแก้ปัญหาชีวิตไม่ตกกลุ้มใจหลายยิงตัวตายกินยาตายมีอยู่ทมไปในโลกอันนี้ น, ะนี่เพราะฉะนั้นจึงว่าความรู้ในทางโลกนั้น ไม่สามารถที่จะแก้ปัญหาของจิตใจนี่ได้มันพอแก้ปัญหาของร่างกายนี่พอได้อยู่ น, นี่เกี่ยวแก่วิชาชีพต่างๆหมดนั่นแหละผูได้เรียนรู้เข้าไปแล้วก็ทำมาหาเรื่องชีพได้คล่องแคล่วดีจเจริญดีวันนี้เมื่อมาเกิดเป็นปัญหาทางด้านจิตใจเข้ามาแล้วไม่มีทางแก้เลย น, นี่ ก็ถ้าตนเองไม่สังหารตัวเองอก็ไปขัดแย้งกับคนอื่นคนอื่นก็มาสังหารตัวเองเข้าไปเมื่อนี้แต่ถ้ า, าก็ามันหันหน้าเข้าหากันพูดกันให้รู้เรื่องปรับความเข้าใจกันผ่อนสั้นผอนยาวหากันเข้าไปแล้วการแก้ปัญหาอของชีวิตที่ ร่วมการร่วมงานกันมันก็ตกไปได้มันก็ไม่ได้ถึงกับเบียดเปลียนอาคาตซึ่งกันและกันแต่นี่มนุษย์เราเนะี่ยมันกิเลสมีหลายอย่างว่ะทั้งมานะทั้งทิศทิ ด, ด้วยทั้งโลกทั้งโกรธทั้งหลงนี่สารพัดกิเลส ม, มันครอบงำจิตใจของคนอยู่ เมื่อบุคคลยังละกิเลสเหลนั้นให้เบาบางไม่ได้มันถึงไม่ยอมหันหนะ้าเข้าพูดกันเลยพูดกันไม่ได้พอพูดกันไปแล้วโทสะพยาบาทอะไรมันก็เกิดขึ้นในใจอมันไม่ยอมกันไม่ลงกันเลยไม่ผ่อนสั้นผ่อนยาวหากันเลยใครก็จะเอาแต่ใจตัวเองเอาแต่ความเห็นของตัวเองว่าถูกคนความเห็นของคนอื่นไม่ถูก พระพุทธเจ้าทรงตรัสว่าสมณะพราหมณ์นี่จะทะเลาะกันเพราะอาศัยทิฏฐิครอบงมจิตใจของผู้นั้นคือทิฏฐิได้แก่ความเห็นเนี่ยไปยึดมั่นในทิฏฐิความเห็นอ น, นั้นยังเหนียวแน่นเมื่อสนทนากันต่างคนต่างก็ จะให้คนอื่นลงความเห็นกับกับความคิดความเห็นของตัวเองเมื่อเห็นเขาไม่ไม่ยอมรับความเห็นของตัวเองแล้วก็ไม่พอใจก็เกิดกระทบกระทั่งกันขึ้นเป็นเหตุให้ทะเลาะวิวาทกันนี่สมณพราหมณ์หมายถึงนักบวชในพุทธศาสนานี่แหละที่จะได้ทะเลาะวิวาทกัน ก็เพราะยึดมั่นในความเห็นให้พึงเข้าใจตรงกันข้ามที่จะไม่ได้ทะเลาะกันก็เพราะว่าไม่ยึดมั่นในความเห็นเพราะว่าความเห็นต่งางๆถ้าพูดในทางปรัตญาธรรมแล้วมันก็เป็นอนิจจังทั้งนั้นเราจะไปถือมัน่นมันไว้ทำไมอ่ะอย่างนี้ต่างคนต่างสอนใจตัวเองเข้าไป ต่างคนต่างก็ละความเห็นแก่ตัวลงไปเน้ก็ผ่อนผันหากันไม่ถือรั้นเอาแต่ตัวเอาแต่ความเห็นตนฝ่ายเดียวสมณนะเหล่านั้นจะไม่ได้ทะเลาะวิวาทกันเลยนี่ให้เข้าใจว่าอย่างนี้ <c oughs> และนี้ทรงแสดงว่าพารืหัสนั้นจะทะเลาะวิวาทกันบาดหมางกันเอเพราะอาศัยกามคุณเป็นเหตุ ความพอใจในกามคุณความยึดมั่นถือมั่นในกรมคุณอย่างเหนียวแน่นอันนี้เป็นเหตุให้เกิดมานะทิฐิขึ้นเป็นเหตุให้แก้งแย่งแข่งดีกันเมื่อใครมีความรักใครสิ่งใดพอใจกับสิ่งใดก็จะเสวงหาเอาสิ่งนั้นให้ได้ถ้าใครมาขัดขวางแล้วเป็นนั้นว่า กาจัดมันไปเลยนี่ต่างฝ่ายต่างก็วางแผนการห้ำหั่นกันลงไปฝ่ายใดเพียงพร้อมฝ่ายนั้นก็ออล่มละลายไปเป็นอยู่อย่างนี้มนุษย์โลกของเราไอ้ผู้บริโภคกรรมคุณนะพระพุทธเจ้าแสดงไว้นั้นไม่มีผิดเลยดังนั้นทางที่ดีแล้ว การแก้ปัญหาของชีวิตดังกล่าวมานี้อย่างว่าเป็นนักบวชก็อย่างว่านะต่างก็ภาวนาเห็นของสังขารทำทั้งพวงไม่เที่ยงมีความเกิดความดับไปเป็นธรรมดาอยู่นั้นก็ละความถือมั่นในความเห็นต่างๆลงไปแล้วเมันก็ไม่ได้ทะเลาะวิวาทอะไรกันและไม่มีใครได้เปรียบเสียเปรียบอะไรกันเลย พอทุกสิ่งทุกอย่างมันเป็นอนัตตาไม่ใช่ของใครถ้าภาวนาอย่างลงไปถึงนั่นแล้วมันไม่มีเรื่องอะไรเราอยู่ร่วมกันแม่ผู้ครองเรือนก็เหมือนกันถ้าหากว่ามาพิจรารณาเห็นโทษแห่งกามเมื่อคุณอย่างที่พระพุทธเจ้าทรงเปรียบเทียบไว้นั่นเช่นว่ากามทั้งหลายเปรียบเหมือนซากศพที่ตายแล้ว บรรดาสุนัข ก, ก็ดีแรงก็ดีกาก็ดียื้อแย่งกันกินอยู่อย่างนั้นแล้วตัวไหนมีกำลังมากกว่าตัวนั้นก็ได้กินมากกว่าตัวไตัวไหนมีกำลังน้อยก็ได้กินน้อยแต่ว่ากวัวจะได้กินเนื้อแต่ละชิ้นก็ต้องใช้กำลัง ห้ามหันกันจิกกันกัดกันเอาเต็มที่แล้วก็ต้องไปแทะเนื้อติดกระดูกพวกนั้นกลัวจะได้กินเนี่ยแสนยากแสนลำบากผมาพราะองค์เจ้าเปรียบอุปมาเหมือนอย่างบุคคลผู้บริโภคกรรมคุณกลัวจะได้ชื่นชมยินดีในรูปเสียงกลิ่นรสเหล่านั้นนี่ก็ต้องได้สู้ทุกสู้ยากลำบาก แสวงหากันจนว่ารอดลมรอดตายนี่นี่ก็อย่างที่ว่ามาแล้วถ้าบังเอิญว่าไปขัดผลประโยชน์ของกันและกันเข้าก็เลยเกิดทำหันกันผู้ใดเพียงพ้ำก็เลยตายไม่ได้บริโภคกรรมคุณตามประสงค์ซ้ำเลยอย่างนี้แหละถ้าหากว่าผู้ครองเรือนทั้งหลายได้พิจารณาเห็นโทษแห่งกรรมคุณ อย่างที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงรูปเปรียบให้ฟังมานี้แล้วมันก็น่าจะเบื่อหน่ายในการยือ้อแย่งกันนะในการไปแข่งดีกันไปชิงดีชิงเด่นกันหมนีน่นะมันไม่มีประโยชน์อะไรมีแต่ทุกข์มีแต่โทษอ้าพิจารณาเห็นอย่างนี้แล้วก็จะต้องหาทาง กองดองสามัคคีกันหันหน้าเข้าพูดกันให้รู้เรื่องราวกันดีแล้วผ่อนผันหากันเช่นนี้แล้วก็ยังจะมีความสุขความเจริญไปได้ตามสภาพจะไม่ได้รับความทุกข์ทนทรมานมากถ้าผู้ครองเรือนทั้งหลายหักหันหน้าเข้าพูดกันเจรจากันไม่ ต่างคนไม่ได้ถือทิฏฐิมานะใส่กันลดละทิฏฐิมานะลงแล้วก็มาเห็นโทษแห่งการขัดแย่งกันการไม่ลงรอยกันว่ามันเป็นไปเพื่อทุกข์เมื่อมันเห็นโทษได้อย่างนี้มันก็ไม่ทำาคนเหล่านั้นก็ยอมหันหน้าเข้าหากันผ่อนผันกันไป เราก็อยู่ร่วมกันไปได้โดยสันติสุขไม่ว่าทางวัดไม่ว่าทางบ้านหากว่าปฏิบัติตามพุทธโอวาทศาสนานี้อยู่ที่ไหนก็เป็นสุขสบายดีตามสภาพโดยเฉพาะเป็นนักบวชนี้ยิ่งมีความสุขมากเพราะเมื่อหากว่าอยู่ร่วมกันแล้วไม่ทะเลาะกันมีเมตตาไม่ตรีจิตต่อกันและกันสม่ำเสมอไป ที่นี่เมื่อไปเจริญสมาธิภาวนาเข้าใจมันก็สงบลงได้ดีใจก็ไม่ฟุ้งเฟ้อเลื่อนลอยอคนเราถ้าหาว่าทําใจสงบได้แล้วมันก็สบายถึงแก่ยังไม่บรรลุมรรคผลธรรมวิเศษอะไรก่อนก็ไม่เป็นไร ก, ก็ยังมีความสุขอยู่ขอให้ทําใจสงบลงไปอย่าปล่อยให้ความโลภโกรธหลงความมิจฉาพยาบาทเหล่านี้ครอบงำจิตใจก็แล้วกัน เมื่อไ ม, ไม่ปล่อยให้กิเลสยับยั้ง น, นี้ครอบงำจิตใจแล้วผู้นั้นย่อมทำใจได้ทำใจให้สงบได้ถ้าหากว่าการมวิตกยังกินหัวใจอยู่ยังปล่อยให้การมวิตกมันครอบงำจิตใจอยู่ก็ดีปล่อยให้พยาบาทวิตกครอบงำจิตอยู่ปล่อยให้วิงสาวิตกครอบงำจิตอยู่ เช่นนี้แล้วภาวนาไม่ลงแน่นอนเลยครอบก่อนั่งภาวนาไปก็จะไปคิดแต่เรื่องเกลียดชังกันวางแผนที่จะแก้แค้นซึ่งกันและกันอยู่นั่นนะมันจะเอาอะไรมาสงบลงได้ล่ะนั่นเนี่ยเพราะฉะนั้นมันต้องรู้อุปสรรคของสมาธิภาวนานี่ ไม่ว่าครือขัดไม่ว่านักบวชอันถ้าผู้ที่ต้องการความสุขจริงๆแล้วมันก็ต้องมาฝึ ก, กจิ้ให้สงบลงไปเหมือนกันหมดจะเป็นครือขัดก็ตามเป็นนักบวชก็ตามถ้าทําใจสงบไม่ได้ล้วไม่มีความสุขไม่ได้พบความสุขเลยเป็นอย่างนั้นเพราะว่า ความสุขนี่มันหมายถึงความที่กายวาจาใจนี่เป็นปกตินั่นแหละจึงได้เกิดความรู้สึกสบายขึ้นมาร่างกายก็ไม่มีโรคภัยไร้แรงอะไรเบียดเบียน อ, อย่างนี้นะทางวาจาอย่างนี้ก็ระมัดระวังไม่ได้ไปพูดกระทบกระทั่งใครให้เจ็บอกเจ็บใจ ไม่มีใครที่จะใช้คำพูดหยาบโลนกระ ท, บ, ะกระทบกระทั่งตนเช่นนี้การกล่าววาจาก็มีสติสำประเชนญะให้ถูกต้องตามทํานองครองธรรมไปนี่เรียกว่าเป็นปกติการกล่าววาจาในทางภายในจิตใจก็มีปกติรู้สึกว่า เป็นกลางอยู่ภายในใจนั้นรักษาความเป็นกลางของจิตไว้อย่าให้มันเอ็เอียงไปข้างรักข้างชังข้างหลงข้างเมาข้างกลัวอมูมนี่บางคนก็ไปทำชั่วเพราะกลัวก็มีกลัวอำนาจอย่างใดอย่างหนึ่งจากบุคคลอ ที่แสดงออกมาถ้าหากว่าตนไม่ทำชั่วอย่างนั้นจะถูกอำนาจอันนั้นมันวีบังคับเอาอะไรหมูนี้นะเนี่ยเราไม่ต้องกลัวเมื่อเราทำดีลงไปแล้วใครจะมาว่าไงก็แล้วแต่เราไม่ก็าเราไม่วันไหวนี่เพราะว่าความดีนี่เป็นสิ่งที่ปรารถนาของคนทั่วโลก อันขึ้นชื่วความชั่วแล้วนะไม่มีใครต้องการปรารถนาเลยนี่แหละเพราะนั้นนะเราต้องรักษาจิตที่เป็นกลางนี้ไว้ให้ได้อย่าให้มันเอียงไป <c oughs> แม้เป็นคืองหัดก็รักษาได้เหมือนกันไม่ใช่รักษาได้ตั้งแต่พระภิกษุสามเณรเท่านั้นรักษาความเป็นกลาง อย่างเช่นว่าพ่อแม่ก็ทำจิตให้เป็นกลางต่อลูกทุกคนเพราะว่าตนได้ให้กำเนิดเขาเกิดมาแล้วแม้ว่าบางคนมันจะมีนิสัยไม่ดีก็าตามเราก็มีเมตตามีอุบเบกขาอยู่ในใจเมื่อสอนมันไม่ได้แล้วก็วางอุบเบกขาลงไม่ต้องไปเสียใจกลุ่มใจก็นึกถึงกรรมของเขา บุญกรรมของเขาทำมาเท่านั้นเขาได้ฝึกฝนตนมาอย่างนั้นมันเป็นอุปนิสัยติดตามมามันแก้ไม่ได้เมื่อนึกได้อย่างนี้ล้วก็วางเวขาลงได้เพราะว่ามันเหลืออิสัยแล้วนี้มันแก้ไม่ได้ถ้าไปขืนไปเศร้าโศกเสียใจกลุ้มใจก็เป็นทุกข์เปล่าๆไม่มีประโยชน์อะไรเนี่ยพ่อแม่ที่ทำกับลูกทา ทำจิตใจกับลูกนะต้องทําอย่างนี้ถ้าใครมันมีบุญวาสนามีสติปัญญาเขาทําดีเอาไปก็ส่งเสริมให้เขาดีไปถ้าใครไม่สามารถที่จะช่วยเหลือได้เอ้าก็ปล่อยมันไปตามยะถากรรมก็เท่านั้นแหละวันนี้ในระหว่างสามีกับภรรยาอา่า ก็เราก็ทำจิตเป็นกลางต่อกันไม่เอียงไปในการทำชู้จากกันและกันมีความจงรักภักดีต่อกันโดยตรงชักชวนกันสร้างบุญสร้างกุศลสร้างบารมีธรรมเพื่อให้เก่กล้าขึ้นไปโดยลำดับจนวัวจะเต็มบริบูรณ์ตั้งแต่ ท่านผู้ได้ตัดสรู้เป็นพระพุทธเจ้าเมื่อยังไม่ได้ตัดสรู้เป็นพระโพ ธ, ธิสัตว์อยู่ก็มีเมียมีมลูกเหมือนกันคลองเลือนมาแต่ว่าเพื่อ น, อนคลองเลือนด้วยคุณธรรมตั้งอยู่ในยุติธรรมไม่เอียงเอ็นอย่างที่ว่านั่นแหละถือเอาความถูกต้องเป็นประมาณ ดำเนินสร้างบารมีมาโดยลำดับชาติลำดับภบมานันแต่ละ ช, ชาติเกิดมาในโลกนี้ท่านมาสร้างบุญกุศลสร้างความดีต่างๆไว้ในโลกนี้หรือไว้ใ น, น, ในจิตใจของท่านเองนั่นแหละ <st it ian> เมือ่อบุญกุศลมันรวมกำลังกันเข้าเต็มอัตาแล้วอยู่นี่ก็จึงได้ตัดสรตเปน <st it ian> ็นพระพุทธเจ้ า, จาขึ้นในโลก ผู้ที่ไม่ได้ปรารถนาเป็นพระพุทธเจ้าก็ได้สร้างบุญกุศลสร้างบา ร, รมีทำมาเหมือนกันต่างแต่ว่ากว้างและแคบกวก่ากันเท่านั้นเองผู้ที่เป็นสาวกนี่ก็สร้างบา ร, รมีแคบกว่าผู้ปรารถนาเป็นพระพุทธเจ้าเมื่อสร้างบุญบา ร, รมีมาในภพในชาติบุญบา ร, รมีเต็มลงในชาติได้ บุญนั่นก็ดลบรนดานให้ไปเกิดพบพระพุทธเจ้าพระองค์ใดพระองค์หนึ่งเข้าให้เมื่อได้ฟังธรรมเทศนาของพพุทธเจ้าแล้วก็ท่านผู้มีอินทร์แ ก, กล้า ม, มากเรีย ว, ว่าเป็นผู้มีบุญบา ร, รมียอดเยี่ยมพอจ่ได้ฟังธรรมนิดหน่อยก็สำเร็จอรหันได้ทันทีเลยแต่ท่านที่ อินทรบารมียังเต็มก็จริงอยู่ดอกแต่ว่าพูดถึงคุณวิเศษคุณพิเศษอันนั้นมันยังไม่ยิ่งพอเพราะองค์เจ้าก็ทรงแสดงธรรมไปมากหน่อยหนึ่งจบลงก็ได้บรรลุมรรคผลไปไดอ้อย่างนั้นสำหรับบางแกมพวกนั้ น, น่ะ ถึงแม่บุญบารมีเต็มแล้วกว็าตามแต่ถ้าว่าคุณพิเศษอันที่จะให้บรรลุมรรคโดยรวดเร็วนั้นไม่มีมีคุณพิเศษที่จะให้ได้บรรลุมรรคบางท่านก็ต่อเมื่อจวนจะหมดอายุสังขารจึงบรรลุมรรคในพานก็มีแต่บางแก่พวกเมื่อภาคเพียนพยายามปฏิบัติ ตามมักมีองค์แปดประการไปไปถึงระหว่างกลางของอายุพอได้สำเร็จมักผลไปก็มีไปถึงวัยแก่ชราลงไปได้บรรลุมักผลก็มีนี่มันอุปนิสัยของคนเราที่สร้างบา ร, รมีมาไม่เหมือนกันนะอชาวไวัยไหวพริบของคนเรานี่มันเร็วและช้ากัวกันนี่บางคนก็มีความคิด เชือชาค่อยคิดค่อยครองายอย่างนั้นเนี่ยอืแล้วก็ต้องอาศัยเวลานานกว่าจะรู้ความจริงแต่ละอย่างละอย่างแต่บางท่านบางคนมีเชาวไวไวพริบรวดเร็วชาวณจิตรวดเร็วคิดอะไรก็คิดได้เร็วอืแก้ปัญหาอะไรก็แก้ได้รวดเร็วอย่างนี้นะ นี่แหละลองสังเกต ด, ดูคนเราในปัจจุบันนี้เหมือนกันนะผู้เช่นนี้เนะี่ยเป็นอุคติตันอยู่เมื่อบุญบารมีเต็มบริบูรณ์แล้วได้ฟังเทศ้เจ้าเพียงบาทพระคาถาเดียวเท่านั้นโดยไม่ได้อธิบายอะไรเลยนะยกเป็นพระคาถาขึ้นเท่านั้นหนละจบลงก็ได้ตัดได้บรรลุมรรคผลนิพพานเลยครอเป็นอย่างนั้น <c oughs> คนเรานะ่ะมันถึงยิ่งกู้กันย่อนกู้กันนะเนี่ยเขาต่างคนต่างมีพื้นเพของจิตใจนั้นมาแต่อดีตชาติทนหลังน่นมันแก้ไม่ตกอ่ใครตั้งต้นมาอย่างไรก็ไปอย่างนั้นนี่ทุกคนให้รู้จักชาวนาจิตของตัวเองฮนะถ้ารู้ว่าตนเองนะั้นมีความคิดเชื่องช้าอย่างนี้นะ อาวก็ไม่เป็นไรเราก็พยายามทำความเพียรคิดพิดจารณาตรตรองไปไม่ท้อไม่ถอยเช่นอย่างว่าเราจะพิจารณาธรรมะเรื่องนี้แหละอย่างนี้น ะ, ะกำหนดแล้วพิจารณาไปมันเมื่อชาวนาจิตมันเชื่องชาติอย่างนั้นมันก็นานรู้เลยนานเข้าใจก็ไม่เป็นไรเราก็ภาคเพียรพยายามไปอย่างนี้นะ เราภาคเพียนพยายามไปพยายามเพ่งพิจารณาอยู่ภายในนั่นไม่ทอ้อไม่ถอยแล้วมันก็ค่อยรู้ค่อยเห็นไปแต่บางคนไม่รู้จักกิริยาจิตของตัวเองถ้าเมื่อพิจารณาอะไรไปหน่อยหนึ่งมันไม่รู้แล้วก็ท้อใจเลยเลยไม่ได้พิจารณาไม่ได้ภาคเพียนเพ่งพิจารณาเอาจนมันรู้มันเห็น อันนี้นหละมันเป็นความบกพร่องนให้เข้าใจกัน <c oughs> เราจะไปถือเอาเยี่ยงอย่างท่านผู้มีชวนะจิตเร็วนั้นไม่ได้ท่านผู้มีชาวนาจิตเร็วนั้นท่านคิดอะไรนั้นได้ว่องไว อ, อย่างนี้มันมันเรื่องของใครของเราเพราะฉะนั้นทุกคนในรู้ตัวเองแต่ว่าส่วนมากเนะ่ะ มักจะมีชวนาจิตช้าอ Raum, คิดอ่านอะไรไม่ค่อยได้รวดเร็วอย่างนี้แหละเมื่อเป็นเช่นนี้แล้วก็อย่าประมาทกันเราต้องภาคเพียนพยายามเพ่งพินิจอยู่ภายในนี้ออย่าส่งใจออกไปข้างนอกเนี่ยว่าว่าโดยรวมๆลงแล้วนะถ้าเราเพียนเพ่งพินิจอยู่ภายในนี้แล้ว มันไม่เหลือวิสัยแต่ละเรื่องแต่ละอย่างมันรู้ได้แต่ถ้าปล่อยใจคิดสร้างออกไปภายนอกแล้วมันรู้ไม่ได้เลยอย่างเช่นว่าเราพิจารณาเรื่องความทุกข์อย่างนี้นะเอาเพ่งอยู่ภายในนี่เดี๋ยวมันก็เห็นทุกข์ขึ้นมาแหละมันเจ็บตรงไหนมันก็รู้ปวดตรงไหนก็รู้เพราะว่าจิตจิตไม่ได้ส่งออกไปข้างนอกมันรวม มันรวมความรู้เข้ามาไว้ภายในนี่เมื่อมันรวมความรู้เข้ามาภายในปัจจุบันนี้ได้แล้วมันก็สามารถรู้ได้ชัดเจนเลยเรื่องความทุกข์ทุกกายทุกใจดังที่เคยอธิบาย มาแล้วตั้งหลายครั้งหลยายหนนะเพราะฉะนั้นอย่าลืมให้เอาไปคิดไปตรองให้ดีถ้าผูใ้ใดไม่พิจารณาเรื่องทุกข์นี้แล้วมันจะไม่พยายามอยา ก, กหาหนทางออกจากทุกข์เลยเอาทุกข์กายอย่างนี้นะเอาได้ร่างกายนี่มาแล้วก็ต้องมาประคบประงมกันด้วยความยากลำบากอยู่อย่างนี้ <c oughs> ยิ่งเป็นผู้ครองเรือนแล้วยิ่งลำบากมากการบำรุงอัตภาพร่างกายอันนี้เนะี่ยต้องได้แสวงหาปัจจัยทั้งสี่นั้นด้วยความยากความลำบากคนมีบุญน้อยยิ่งยิ่งเป็นทุกข์มากคนมีบุญมากที่ได้ทำมาแต่ก่อนก็ยังชั่วหน่อยพอหาได้ง่ายอยู่ว่างอชีวิตของนักบวชนี่ นับว่ามีความสบายกว่าชีวิตความเป็นอยู่อย่างอื่นเลยเพราะว่าไม่ได้ขวานขวายหาปัจจัยสี่ด้วยลําพังตัวเองในวัดแสวงหาไปตามศีลตามธรรมแล้วเสร็จจะได้ได้มาอย่างไรก็ยินดีบริโภคใ้สอยเท่านั้นเราไม่ทะเยอะทะยานในปัจจัยสี่นั้นเกินขอบเขต แล้วถือสันตุถีทธามีทำได้นี่ไอบ้บรรดาอัตภาพร่างกายของนักบวชเนี่ยจึงได้รับความสบายมากอย่างนี้แหละบัด น, นี้ถึงจะสบายมากอย่างไรมันก็ไม่พ้นจากความแปรปรวนแตกดับมันก็ไม่พ้นจากความเจ็บป่วยไขย้ความชาราภาพโมนี้นะต้องดําริตรีตองดูเนี่ยความทุกข์ของร่างกายก็มันทนอยู่ไม่ได้นี่ มันทนลำบากทนได้ยากอย่างนี้แหละกาหนดรู้เท่าเพราะว่ามันยังไม่หมดบุญเก่าแล้วมันถึงมันจะแปรปวนอย่างไรมันก็ยังไม่แตกไม่ดับก่อนเพราะบุญยังหล่อเลี้ยงไว้อยู่เป็นอย่างนั้นแล้วก็ต้องอดต้องทนเลยอดไปทนไปอดแล้วเพ่งดูอยู่ภายในจนรู้เท่าทุกเห็นเป็นธรรมดาไป อย่างนี้ได้จิตมันก็ไปเป็นทุกข์มาหน้เมื่อรู้เท่าทุกข์แล้วจิตก็ไม่เป็นทุกข์นี่แหละความทุกข์ทางใจก็เพราะไม่รู้เท่าทุกข์นี่แหละพูดกันอย่างง่ายง่ายถ้ารู้เท่าทุกข์ทางกายนี้แล้วรู้เท่าทุกข์ทางใจคือว่าใจนี่มันไปหลงยึดกิเลสตัณหาอะไรไว้อ่าแล้วเราก็เพียนไปยามละมัน ถ้ากิเลสอันใดที่ยังละมันไม่ได้มันมารบกวนใจให้เป็นทุกข์เราก็รู้เท่ามันรู้ว่ากิเลสอย่างนี้เรายัางละมันไม่ได้มันก็ต้องมากวนใจให้เป็นทุกข์เป็นธรรมดาแต่เราก็จะไม่นิ่งนอนใจเราจะเพียรพยายามละมันไปอยู่อย่างนี้แหละอืมนี่เราต้องสอนตัวเองเตือนตัวเองอยู่อย่างนี้ บันนี้ทุกทางกายนั่นก็จิตนี่แหละเป็นผู้รับรู้บันนี้จิตทําความรู้เท่ามันนี้นะนั่นรู้เท่าว่าไม่ใช่ทัวตนเราเขาอะไรร่างกายอันนี้เมื่อเห็นแจ้งว่าไม่ใช่ของเราแล้วก็ไม่ต้องเสียใจดีใจกับมันร่างกายอันนี้ฝึกจิตนี่ไม่ให้มันเสียใจดีใจกับมันเข้าไปให้วางจิตให้เป็นกลางลงไป นี่เรียกว่ารู้เท่าทุกทางร่างกายนั่นเนี่ยส่วนทุกทางใจนั่นเมื่อเราละอารมณ์ที่ยึดถือไว้นั้นลงไปได้แล้วความทุกทางใจมันก็เบาลงทีเดียวฮะเช่นมันไปยึดเอาความอยากไว้อยากได้อันใดอันหนึ่งแล้วยึดไว้วตกเวิจาร์อยู่นั่นแหละอย่างนี้นะมันก็เป็นทุกข์แล้วนั่นนะอ่าเป็นอย่างนั้นถ้าเราละความอยากอันนั้นซะ ไม่ถือมันมันไว้เลยอย่างนี้นะความทุกข์ทางใจที่เกิดจากความอยากได้สิ่งนั้นสิ่งนี้มันก็ดับไปหนึ่งอย่างเนี่ยอา้าวถ้ามันเกลียดชังใครขึ้นมาเลยเนี่มันก็วิตกวิจารถึงเรื่องความเกลียดชังอันนั้นเมื่อเรามากําหนดละความวิตกวิจาร์เรื่องเกลียดชังอันนั้นเสียความทุก อันเกิดจากความเกลียดชังนั้นมันก็ดับไป น, นี่ น, นั่นแหละเมื่อจิตมันไปยึดถือเอาเรื่องความผิดหวังอะไรบางสิ่งบางอย่างอย่างนี้นะมาเป็นอารมณ์มาตนทำอะไรไปพูดอะไรไปมันผิดหวังไม่ได้ดังใจหวังแล้วก็มาวิตกวิจานอยู่นั่นแหละอันนี้มันก็เป็นความทุกข์ใจอันนึืงวันนี้เมื่อเ ร, รู้ว่า ความไม่ตกอย่างนี้นะ่ยมันเป็นเหตุให้เกิดทุกข์ก็กําหนดละมันไปเลยเพราะว่าความคิดเช่นั้นมันก็ไม่เที่ยงเกิดขึ้นแล้วมันก็ดับไปไม่มีสาระแกณฑสารอะไรไอความทุกข์ทางใจที่เกิดจากอารมณ์ที่ผิดหวังนั้นนั้นมันก็ดับไปอือนี่แหละความทุกข์ทางใจมันเกิดขึ้นได้ด้วยเหตุหนังกล่าวมานี้ บันนี้เมื่อเมื่อดับเหตุอันละเหตุอันนั้นได้แล้วความทุกข์ทางใจมันก็ดับไปก็เป็นอย่างนี้แหละการปฏิบัติทำในพระพุทธศาสนานีเนี่ยก็ขอให้พากันเข้าใจถ้าจะชี้แจงไปตามข้ออัดข้อทำแล้วเนี่ยมันกว้างขวางมากยากที่ผู้ฟังนั้นจะไปรู้จักความหมายในทางปฏิบัติได้ ถ้าหากว่าพูดกันเอาใกล้ๆเข้ามาอย่างนี้นะ่ะผู้ฟังทั้งหลายก็คงจะพอเข้าใจทางดับทุกข์ได้บ้างแล้วเพราะฉะนั้นจึงกลั่นกรองเอามาพูดสู่กันฟังทั้งนี้และทั้งนั้นนะ่ะการแสดงออกมาอย่างนี้นะ่ะคล้ายๆกับว่ามันจะดับทุกข์ได้ไวๆเลยอเออแต่แท้ที่จริงแล้วไม่ใช่อย่างนั้นเพราะกิเลสนี่มันเหนียวแน่นมาก ความหลงนี่นะวนวเดี่ยวแน่นมากทีเดียวมันละเอียดมากไอความหลงนี่นะดังนั้นเราต้องภากเพียนพยายามพิจารณาอยู่อย่างนั้นเอาท่าพิจารณาไปหากว่าสมาธิมันอ่อนกำลังลงอาการพิจารณามันจะเฉไปทางอื่นนู่นนะมันจะไม่ยืนหยัดอยู่ในเรื่องเดียวนั้น ถ้าเป็นช่นนก้นแสดงว่าสมาธิมันอ่อนกำลังลงแล้วก็หยุดพิจารณาซะก่อนมาพยายามเพ่งลมหายใจเข้าออกเพ่งความรู้สึกอันนี้ให้มันส ง, งบให้มันหนักแน่นลงไปด้วยดีแล้วอย่างนี้ก็จึงเริ่มพิจารณาใหม่นี่อุบายที่การเจริญธรมถ่ายอิปัฏนามันต้องให้เข้าใจอย่างนี้ แต่เมื่อใจวอกเวกไปอยู่นั้นก็ยังขืนพิจารณาไปอยู่มันก็ไม่สามารถจะรู้ได้เลยมันเป็นยงนั้นมันต้องให้เข้าใจเมื่อเข้าใจอย่างนี้แล้วมันก็ไม่เหลือวิสัยแบบนี้นะเอาเรามาเพียรไม่ยามเพ่งใจนี่ให้มันสงบลงเมื่อใจมันสงบแล้วมันพิจารณาอะไรมันก็ได้ความแบบนี้นะ เ, เป็นอย่างนั้นสิ่งใดที่ควรจะละ เห็นแจ้งด้วยปัญญาแล้วมันกระละลงได้สิ่งใดที่ควรจะลงมือกระทาให้เกิดให้มีมันก็ทำไปได้เพราะมันมองเห็นลูทางด้วยปัญญาเลว้วเช่นนั้นนะอย่าว่าแต่การงานภายใน จ, ใจิตใจการละกิเลสตัณหาภายในเลยเมื่อกิจการงานภายนอกที่เราจะต้องทำนี่ก็เหมือนกันนะถ้าว่าเราอาศัยสมาธิเป็นที่ตั้ง แล้วเพ่งพิจารณาไปอย่างเนี้ยมันสามารถมองเห็นช่องทางได้อมองเห็นช่องทางที่จะทําการงานอันนั้นให้สําเร็จรุ่รวงไปได้ตามเป้าหมาย mm hmm. ถ้าว่ามันติดขัดตรงไหนอเราเข้าสมาธิแล้วเมื่อใจตั้งมั่นเอาไว้แล้วพิจารณาเข้าไปเนี่มันก็เห็นรูปทางที่จะแก้ไขไอ้ข้อขัดข้องที่มัน แก้ไม่ตกนั่นได้เห็นช่องทางได้เมื่อทําใจสงบลงไปแล้วนะนั่นเลยฉะนั้นอย่าไปลืมข้อนี้นะอถ้าเพื่อลืมหลักสูตรอันนี้แล้วไม่ได้ความแล้วออืทําอะไรก็มักจะเหลวไหลไปเมื่อเมื่อทําการงานภายนอกนี่เหลวไหลไปแล้วอนี่งานภายในใจมันยิ่งแล้วใหญ่เลยออื ยิ่งไปไม่รอดมันเป็นอย่างนั้นเพราะฉะนั้นอย่าไปลืมถ้าอุปสรรคอะไรเกิดขึ้นสาคัญสําคัญเนี่ยเราต้องทาสมาธิซะก่อนก่อนที่จะแก้ไขอุปสรรคอันนั้นนะต้องทำใจให้สงบลงไปจากอารมณ์ต่างๆอารมณ์ที่เป็นคิดว่าวุ่นอยากอยากแก้ไขเรื่องนั้นเรื่องนี้เนี่ยต้องงดลงไว้ก่อนไม่ต้องคิดมัน พยายามสะกดจิตให้มันหยุดคิดในเรื่องนั้นสะ ก, ก่อน uh huh. เมื่อมันหยุดคิดลงไปได้แล้วมันสงบนิ่งอยู่แล้วป่ะนี้ก็ยังค่อยนึกคิดว่าเรื่องนี้เป็นอย่างไรหนออย่างนี้พอนึกคิดอย่างนี้บางทีมันก็เห็นแจ้งในเรื่องนั้นขึ้นมาไอ้เรื่องนี้มันเป็นอย่างนั้นควรจะแก้ไขอย่างนั้นอ uh huh. อย่างนี้เนะี่แล้วการแก้ไขเรื่องนี้มันต้องอาศัยเวลาสักหน่อย จะให้รวดเร็วนั่นไม่ได้มันก็บอกมามันก็รู้เรื่องนี้เมื่อเมื่อดำเนินไปอย่างนั้นแล้วมันจะแก้ไขได้รวดเร็วมันก็รู้นี่เป็นอย่างนั้นเรื่องมันนะเมื่อมันรู้ได้อย่างนี้นะไม่ไม่ค่อยผิดพลาดการดำเนินงานต่างๆนะมันก็ไปได้แม้ผู้ครองเรือนก็เหมือนกันผู้เป็นนักบวชก็เหมือนกันนะ มันก็ใช้ทัศนะอย่างเดียวกันนี่แหละคือใช้การฝึกผรอารมณ์จิตให้สงบแล้วก็อบรมปัญญาให้เกิดขึ้นแนวเิียวกันเล ย, ยนั้นการแก้ไขอุปสรรคความขัดข้องในครอบครัวตัวเรือนก็เหมือนกันนะส่วนมากคนนะมันไปแก้ไขความขัดข้องด้วยอารมณ์อันวุ่วาม ชุนเฉีวไปแก้ไขในขณะที่จิตใจชุนเฉีวอึดอัดอยู่อย่างนั้นเนี่ยไม่ได้ความเลยถ้าแก้ไขไปก็ไปในทางที่ไม่ดีนั่นแหละบางทีก็เกิดทะเลาะวิวาดกันเลยในระหว่างสามีกับภรรยาลูกกับพ่อกับแม่อย่างนี้ถ้าหากว่าผู้ปฏิบัติธรรมเนี่ ได้มั น, นั่งสมาธิภาวนาไม่ท้อไม่ถอยอเมื่อได้โอกาสเวลาไหนก็นั่งสมาธิภาวนาสะกดจิตนี่ให้มันสงบลงไปภาคเพียรพยายามถ้าทำลงไปโดยรวดเร็วมันสงบไม่ได้ก็ภาคเพียรไปไม่ท้อไม่ถอยทำภาคเพียรพยายามไปอยู่นั้น ไม่ทอไม่ถอยแล้วมันก็คงสงบลงไปครั้งหนึ่งให้ได้นเรื่องเรื่องการฝึกกิตด้ียนะต้องอาศัยความภาคเพียรจริงๆนะขอให้เข้าใจเราจะไปทำสุกเอาเผากินเลยอย่างนี้มันจะได้ไม่ไ ม, ไม่ไม่มีทางนะขอให้เข้าใจเพราะว่าจิตนี่มันละเอียดธรรมชาติของจิตนี่มันละเอียดพระพุทธเจ้าก็ทรงตรัสว่ามัน ความคิดของจิตเนี่ยมันว่องไวที่สุดเลยนะอย่างนี้อ่ะมันไวยิ่งกว่าลมโนนะอืดังนั้นถ้าหากว่าบุคคลไม่ฝึกสติสมบัญญติชนญาณนี้ให้แหลมคมหรือให้กล้าแข็งเข้าไปอย่างนี้มันจะไม่รู้เท่าความคิดของตัวเองเลยตนหลงคิดไปในทางผิดจนว่ามันเกิดความโร่ใจขึ้นมาแล้วนนจึงรู้ตัวอย่างี้นะ แล้วมันแก้ยากก็เกินนะถึงขั้นนั่นแล้วนะนี่แหละเพราะว่าจิตนี้มันไม่มีรูปร่างดังกล่าวมาแล้วนั่นแหละดังนั้นท่านจึงสอนให้กําหนดเอาความรู้นั้นเป็นเครื่องหมายของจิตอย่าไปอย่างอื่นอย่าไปลังเลสงสัยอย่างอื่นว่าเอจิตนี่มันคืออะไรหนอทาไมมันไม่มีรูปมีร่างอะไร อย่างนี้ไม่ควรจะไปสงสัยอย่างนั้นครกำหนดเอาความรู้นั่นแหละคือดวงจิตแต่ว่าคำว่าดวงจิตหรือความรู้หมดนี่มันก็เป็นเรื่องสมมุติบรรยัตต่างหากเนาะถ้าไม่สมมุติอย่างนี้มันก็ไม่รู้เรื่องกันเลยดังนั้นจึงต้องสมมติเอามาใช้นั่นแหละทีนี้เมื่อจิตหลุดพ้นแล้ว สมมติอันนี้ก็ดับไปดับไปในความรู้สึกของจิตที่หลุดพ้นแล้วนั้นน ะ, ะนั่นแหละแต่เมื่อเวลาจิตยังไม่หลุดพ้นนี่มันก็ต้องสมมุติเอามาใช้อยู่ว่าจิตของเราเป็นอย่างนั้นจิตของเราเป็นอย่างนี้ก็เราสมมุติเอาเฉยเราคิดแต่เราก็รู้เท่าความคิดความสมมติอันนั้นไป จิตเราวุ่นวายก็รู้รู้ว่าจิตวุ่นวายอย่างนี้นะจิตสงบโร่งไปก็รู้ว่าจิตสงบอเอาความรู้อันเดียวนั้นเอในขณะนี้จิตมันวุ่นวายก็กําหนดรู้มันพอกําหนดรู้เท่ามันแล้วมันมันไม่วุ่นวายแล้วมันจะระ ง, งับไปแต่ถ้าหากว่าไม่กําหนดรู้อย่างนี้แล้วมันจะไม่หยุดวุ่นวายเลย นั่นให้เข้าใจไว้ให้เอาใกล้ๆในี่นะเออในขณะนี้จิตกําลังวุ่นวายอย่างนี้ก็กําหนดรู้ว่าเอามันคิดเรื่องอะไรก็รู้เรื่องอันนั้นกําหนดรู้ความคิดอันนั้นตามรู้ความคิดอันนั้นเรื่อยไปเลยรู้เห็นว่ามันเกิดมันดับอยู่ไม่ใช่รู้เห็นว่ามันเป็นตัวเป็นตนอะไระนี่นะเราตามรู้ตามเห็นว่ามันเกิดมันดับ เมื่อมันเห็นไปอย่างนั้นแล้วมันก็มองว่าเอ๊ะความคิดอย่างนี้มันไม่เห็นมีแกนสารอะไรอ่ะไม่เห็นมีดีมีชั่วอะไรคิดไปแล้วก็ดับไปคิดไปแล้วก็ดับไปอยู่อย่างนี้ไม่ทราบว่าจะคิดไปเอาวิมานอะไรอ่ะเพราะมันมันพิจารณาเห็นอย่างนี้มันเบื่อแล้วนี้มันเบื่อความคิดอะไรนั้นมันก็หยุดลงอ่ะเมื่อมันเบื่อแล้วมันหยุดแล้ววันนี้นี่แหละคำที่ว่า ผู้จะพ้นทุกได้เพราะมีความเพียร น, นั่นนะให้เข้าใจเพียรเพียรให้ขยับเข้ามาทวนกระแสเข้ามาให้มันใกล้กับจิตเข้ามาเรื่อยๆอย่างนี้นะอย่าเพียรส่งจิตส่งความคิดออกไปทางไกลจากความรู้สึกอันนี้ให้เพียรให้ใกล้เข้ามาเรื่อยๆอืม เมื่อเพียนใกล้เข้ามาอย่างนี้แล้วพอมันอิ่มอารมณ์ันนั้นหมดแล้วมันจะรวมลงเป็นหนึ่งได้เลยแับนี้นะอะ่มันอิ่มนี้เมื่อพิจารณาไปอ่าเมื่อมันคิดไปเรากําหนดรู้ไปรู้ไปอย่างนี้แล้วไปไปแล้วก็เห็นว่ามันไม่มีแกนสารอะไรแล้วมันอิ่มแล้วแับนี้มันอิ่มความคิดอันนั้นแล้วมันก็หยุดลงเนะอ่า พอมันหยุดคิดลงได้มันก็เหลือแต่ความรู้กับสติบันนี้ก็รู้ได้เลยว่าจิตนี่อิ่มอารมณ์ทั้งหมดแล้วอืมอิ่มแล้วไม่เอาแล้วไม่อยากได้อะไรทั้งหมดในโลกนี้ความรู้สึกในขณะนั้นอบันนี้ก็ามาพิจารณาบันนี้นะเมื่อจิตมันอิ่มอารมณ์มันตั้งมันเป็นปกติแล้ว ห้จารณาความเคลื่อนไหวความเปลี่ยนแปลงไปแห่งน้าแห่งรูปและนอกจากน้าจากรูปอันนี้ออกไปก็มันเปลี่ยนแปลงแปรผันไปอยู่อย่างนั้นไม่หยุดไม่ยั้งเลยอ้อาวพูดกันอย่างตื้นตื้นว่าเช่นรับประทานอาหารมื้อเช้านี้แล้ว เอาตกมือบ่ายมาผหิวแล้วอยากอีกแล้วนี่ความรู้สึกนี่มันก็เปลี่ยนไปตามสังขารที่มันแปลผันไปนั่นนะเป็นอย่างนั้นอา้าวพอถึงพอถึงเวลานอนบันนี้อา้าวเกิดหิวนอนขึ้นมาแล้ว เ, เป็นอย่างนั้น ถ้าไม่นอนก็เอาละ ก, ละกวนก歪อย่างนั้นก็ไปนอนอพอนอนหลับไปตื่นขึ้นมาอาก็สบายรู้สึกสบายแล้วนี่ไอความเปลี่ยนแปลงของสังขารนี่นะมันเป็นอยู่อย่างนี้นะอะพอสบายไปแล้วไ ป, ไปถึงเวลานอนไม่ได้นอนก็หิวอีกมาแล้วอก็เดือดร้อนขึ้นมาแล้วอยู่อย่างนี้แหละ ถึงเวลากินไม่ได้กินก็หิวกว็เดือดร้อนทำการงานอะไรลงไป เ, เมื่อแดดเผาเข้ามาก็ร้อนอพ้ฝนตกรถลงมากรอนหนาวหมู่เนี่ยเมื่อสังขารร่างกายนี่มันต้านทานต่อภัยธรรมชาติไม่ได้มันก็วิบัติลง เ, เป็นไข้ปวดศีสะ บางทีก็ไปรับประทานอาหารสแลงกับาธาตุเข้าไปเกิดท้องร่วงขึ้นมาสารพัดตั้งแต่มันเปลี่ยนแปลงไปชีวิตอันนี้นะเป็นอยู่อย่างนี้นะบาริโพฝึกใจของตนให้ตั้งมั่นลงไว้มีสติกํากับอยู่แล้วร่างกายนี่มันเปลี่ยนแปลงไปอย่างไรมันก็รู้มันก็เห็นไปอยู่นั้นมันก็เบื่อหน่ายไปอยู่นั้นบนี้นะ เออนี่แล้วสังขารทั้งหลายไม่เที่ยง เ, ออเรามาอาศัยอยู่ในของที่ไม่เที่ยงมันเป็นสิ่งที่ไม่ควรจะยินดีพอใจอะไรควรจะเบื่อหน่ายอืมันก็เกิดนิพพิทาความเบื่อหน่ายขึ้นมานี่แหละเอา้าอย่างเช่นว่าผู้มีจิตฟุ้งซ่านทำยังไงจิตก็สงบลงไม่ได้อย่างนี้ก็ ก็สอนตนเข้าไปอ่ะอนี่แหละการที่จิตใจไม่สงบมันก็เป็นทุกข์อย่างนี้เี่ยรู้ไหมอ้วแล้วเราจะปล่อยใจให้มันฟุ้งซ่านอยู่อย่างนี้เหร อ, อนีคบบอ่ควรจะเบื่อควรจะนายความคิดอันนี้เพราะมันไม่มีสุขเม่แต่น้อยเดียวมีแต่ทุกข์แล้วก็ใช้อุบายสอนใจเข้าไป พอใจมันเห็นแจ้งตามปัญญาอย่างนั้นนะมันก็เบื่อความคิดเมื่อมันเบื่อแล้วมันก็หยุดคิดตรงไว้เองมันนี่นี่อีกอุบายหนึ่งอุบายที่ทําใจที่ฟุ้งซ่านลาคาเนะี่มันสงบลงไปเอมันมันมีอุบายอย่างนี้เพราะฉะนั <c> ้ <oughs> <c oughs> นอย่าไปทอถอยความเพียรเพราะว่าจิตนี่มันละเอียดมากอื ถ้าเราไม่อบรมสมาธิให้เข้มแข็งไม่อบรมปัญญาให้แหลมคมมากอย่างนี้นะมันก็ตามจิตนี่ไม่ทันเลยออสอนจิตนี้ไม่ได้เลยนั่นเองถ้าว่าเรามีเราอบรมปัญญาให้มันเกิดขึ้นจากสมาธินั่นแล้วอย่างนี้มันก็มีอุบายสอนจิตนี่เข้าไปแล้ววันนี้อนะอื เมื่อจิตนี่มันวุ่นวุ่นขึ้นมาเอามันก็นึกถึงอุบายอันใดอันหนึ่งมาสอนจิตเข้าไปจิตมันเห็นแจ้งตามอุบายนั้นนะมันก็หยุดวุ่นไปนี่นะมันก็ปล่อยก็วางอารมณ์ที่มันยึดมันถือไว้นั่นนะอ่าเป็นอย่างนั้น <c oughs> ก็อย่างนี้แหละคนส่วนมากนะ่ะมันไม่มีความเพียร น, นะ <c oughs> อเพราะว่าทำความเพียรไปนิดๆหน่อยๆเท่านั้นแล้ว ใจสงบลงไม่ไม่ได้แล้วก็ถอยใชหยุดเสียไม่ภาคเพียนต่องี้นะแล้วมันจะได้ผลยังไงแล้วมันจะทําให้จิตสงบหนักแน่นลงไปได้ยังไงอ่ะมันสงบไม่ได้ <c oughs> เป็นอย่างนั้นถ้าถ้าไม่เป็นอย่างว่านี่พระพุทธเจ้าก็ไม่ได้ตรัสภาสิทธไว้ดังที่กล่าวมาแล้วแต่ตอนหลังนั่นเลยว่าบุคคล จะพ้นจากทุกได้ก็เพราะมีความเพียรเพราะว่าความเพียร น, นี่มันหมายถึงความการกระทำไม่ไม่ท้อไม่ถอยเรียกว่าพยายามเดินหน้าไปเรื่อยนี่นะแต่ว่าเดินไปชา้าหรือเร็วนั้นก็ขึ้นอยู่กับชาวนาจิตของบุคคลดังที่พูดมาแล้วนั่นเนี่ย ผู้มีชวนาจิตเร็วมันก็ภาคเพียนไปได้เร็วผู้มีความคิดเฉยชาเอการทําความเพียรมันก็ช้าเอาก็ไปตามกิริยาจิตของตนนั่นแหละอะจะให้มันว่องไวเหมือนอย่างผู้ที่มีชวนะจิตไวมันไม่ได้อแต่เมื่อเราเพียนพยายามไปไม่ท้อไม่ถอย ได้ทีละน้อยละน้อยก็เอาไอ้อย่างนี้แล้วทําไปนานไปไม่ท้อไม่ถอยไอ้บุญกุศลมันก็รวมกําลังกันเข้าแหละทีละน้อยละน้อยมันก็มากขึ้นเองมันนะไอ้การที่เราฝึกจิตใจไปอย่างว่านี่นะพอทําใจสงบได้แม้จะเป็นชั่วหนึ่งขณะหนึ่งอย่างนี้มันก็เป็นบุญกุศลไม่น้อยแล้วนะฮะนะนั่นให้เข้าใจ ถ้าเราทำใจให้สงบลงไปได้นานเข้าไปสักหน่อยบุญกุศลมันก็มากขึ้นอ่มันเป็นอย่างนั้นถ้าเราใช่อุบายปัญญาสอนใจให้ละความยุ่งใจความวุ่นวายภายในจิตใจลงได้แต่ละครั้งอย่างนี้นะก็เป็นบุญกุศลไม่ใช่น้อยแล้วนะอันนี้แหละเรียกว่าเราพยายามสั่งสมบุญกุศลนะ่ะให้พากันเข้าใจ เราจะไปเอาอะไรอ่ะว่าสั่งสมบุญกุศลนะเพราะว่าบุญกุศลมันไม่มีรูปร่างอะไรเลยนะมันไม่มีตัวตนอะไรอ่ะอะมันเป็นธรรมรมที่เกิดขึ้นในใจต่างหากนี้นั่นแหละเรามากลัน่นตั้งแต่เอาแต่ธรรมารมอันเป็นกุศลนั่นนะนะอันเป็นความดีนั่นนะธรรมารมอะไรมันเป็นอกุศลเรารู้ด้วยปัญญานะเราก็ละมันเอย นี่เมื่อกล่าวโดยรวมๆลงแล้วนะเป็นอย่างนั้นการภาวนานี่นะเพราะว่าอารมณ์แห่งขิตใจของคนผู้ยังมีกิเลสอยู่นี่มันไม่แน่นอนจริงๆนะบางทีมันก็คิดดีขึ้นมาบางทีก็คิดชั่วขึ้นมาออย่างนี้แหละมันมันไม่ใช่ว่ามันจะคิดดีรุ่นรุ่นไปเรื่อยๆ แล้วก็มันไม่ใช่ว่ามันจะคิดชั่วเรื่อยไปอย่างนี้ตลอดไปไม่ใช่บัดนี้เมื่อผู้มาภาวนามาเพ่งอยู่ภายในเพ่งดวงกิจของตนอยู่อย่างนั้นนะเมื่อความคิดชั่วมันเกิดขึ้นมาเราก็ละมันบัดนี้นะเ น, นี้ยเพราะเมื่อมันเผลอคิดชั่วขึ้นมาแล้วก็ละมันไม่ส่งเสริมมันคําว่าความคิดชั่ว พูดถึงอารมณ์ชั้นละเอียดแล้วก็หมายความว่าคิดรักขึ้นมาอ่อนๆ อ, อ, อย่างนี้นะแต่เพียงแต่คิดรักขึ้นมาในใจเฉยๆนะยังไม่คิดว่าจ ะ, จะไปสะแสวงหามันในสิ่งที่ต้องการนั้นก็รีบรักมันเลยฮะกาถือว่าเป็นความคิดชั่วของวิปัสสนาญาณ น, นะ อพอมันคิดเกลียดชังใครต่อใครสักคนหนึ่งขึ้นมาอย่างงี้นะก็รีบกําหนดละทันทีเลยเอมันก็เป็นความชั่วชนิดหนึ่งมันเป็นอย่างงี้พอมันมันคิดวิตกวิจารณ์ไปถึงเรื่องนั้นเรื่องนี้แต่ไม่ใช่เรื่องดีเรื่องชั่วไม่ใช่เรื่องเป็นบุญเป็นบาปอะไรอย่างงี้นะอันนั้นก็ เป็นอุปสรรคต่อความสงบของจิตใจก็กำหนดละมันทันทีเลยนี่เราภาวนาเพ่งใจเมื่อควบคุมจิตใจได้พอสมควรแล้วอย่างนี้เราก็มาเลือกคัดจัดสรรอารมณ์ต่างๆภายในจิตใจอันนี้แหละที่ท่านเรียกว่าธรรมวิจัยยะอันมีอยู่ในโพชฌงค์เกตนั่ น, น, นการสอดส่องธรรม ม, มันจำเป็นนะเมื่อภาวนาลงไปถึงขั้นละเอียดเข้าไปแล้วมันต้องเลือกอะไรบ้างที่นะต้องเลือกอันนี้เป็นสังขารเป็นสภาพที่ถูกรุงแต่งให้เกิดขึ้นเป็นขึ้นอย่างนี้นะก็อัตภาพร่างกายทุกส่วนนี้นะ ก็รวมเรียกว่าสังขารทั้งนั้นแหละนี่กําหนดรู้อย่างนี้นะมันมันเลยคําว่าร่างกายเรากลยเขามาแล้ววันนี้นะความรู้อันนี้นะมันเห็นเป็ น, นเพียงสังขารคือสภาพที่ถูกปรุงแต่งขึ้นมาด้วยเหตุปัจจัยเหตุปัจจัยก็คือบุญกับบาปนั่นเองแหละปรุงแต่งอัตภาพร่างกายอันนี้ขึ้นมาอย่างนี้เอ้า ความคิดความไม่รู้ความเห็นผิดเป็นชอบต่างๆมันเกิดขึ้นจากอวิชชาโมหะความไม่รู้นี่ความหลงความเมานี่ก็รู้นี่อย่างนี้นะอ๋อความคิดความเห็นผิดต่างๆนี่มันเกิดมาจากอวิชชาโมหะนี่ก็รู้เงินนะเมื่อเมื่อรู้ถูกเข้ามาแล้วอย่างนี้ อวิชชานี่ยมันก็ดับไปโมหะมันก็ดับไปเ mm. มื่อ mm. รู้ตามความเป็นจริงขึ้นมาแล้วนะ mm. มันเป็นอย่างนั้นเช่นอย่างรู้ว่านี่ทุกขเป็นของมีจริงแท้เ mm. มื่อมีขันห้านี้มาตราบใดแล้วทุกก็มีอยู่ตราบนั้น mm. เป็นอย่างนี้ mm. ทุกนี้ควรรู้เท่าละไม่ได้อ mm. ก็ทําความรู้เท่าไป นี่คือเหตุให้เกิดทุกข์ควรละอย่างนี้นะก็กําหนดละไปเรื่อยๆนี่เรียกว่าความรู้เมื่อมันเกิดขึ้นแล้วนะนี่คือความดับทุกข์ได้แก่ดับตัณหาคือความอยากในใจเมื่อดับความอยากในใจได้เท่าไรทุกข์ก็ดับไปเท่านั้นนี่คือข้อปฏิบัติให้ ถ, ถึงความดับทุกข์ได้แก่ทานศีลภาวนา นี่รู้ว่าจะเป็นข้อปฏิบัติให้ถึงความดับทุกข์ท่านนั้นสำหรับผู้ครองเรือนนะสำหรับนักบวดแล้วก็คือศีลสมาธิปัญญาอันนี้เป็นข้อปฏิบัติให้ถึงความดับทุกข์นี่เมื่อเมื่อกาหนดรู้อย่างนี้แล้วมันก็ทำให้ความไม่รู้ความหลงความเมาต่างๆ ก, ก็หายไปเป็นอันว่าความทุกข์ยอมดับไป โดยอาการดังแสดงมาขอจบลงเพียงเท่านี้